เนื่องจากวันนี้ทางวัดได้จัดพิธีอุปสมบทบรรพชาสามนเณรและพระภิกษุเป็นการบวชภาคฤดูร้อนมีนักเรียนโ ร, นรงเรียนรพราโรงเรียนยศสสที่เป็นโรงเรียนที่สมเด็จพระสังฆราชได้ทรงสร้างขึ้นมาเพื่อรับเด็ก มาเรียนตั้งแต่ระดับม .1 ถึงม .3 เป็นโรงเรียนกินนอนไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนไม่ได้เก็บค่าทำเรียนเป็นให้มาเรียนฟรีโดยมีเป้าหมายที่จะสอนเด็กให้รู้เรื่องของพระพุทธศาสนาประกอบกับวิชาความรู้ทางโลก คือถ้าพูดตามภาษาปัจจุบันเขาเรียกว่าโรงเรียนแนวพุทธศาสนาคือนอกจากสอนเรื่องวิชาของทางโลกแล้วก็สอนวิชาทางธรรมด้วยเพื่อที่จะได้มีความรู้ที่จะปกป้องรักษาชีวิตให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสน่วทุกปีเวลาปิดเทามแล้ว เด็กนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปีที่หนึ่งก็จะได้รับการบรรดบชาเป็นสา ม, มเณีปีนี้ก็มีอยู่42รูปแล้วก็มีเด็กรูกหลานของศรัทธาญาโิโมที่มาบวชสมทบอีกประมาณส0บกว่ารูปแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่มีจิตศรัทธา อยากจะอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกประมาณสิบรูปอันนี้ก็เลยจะมีการบันประชาอุปสมบทสำเนเนรัตพระภิกษุเป็นจำนวนหกสกว่ารูปขึ้นไปจึงได้มีญาติโยมมาทำบุญกันมากเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากมีศรัทธาญาติโยม ของผู้ที่จะมาบวชได้มาร่วมทําบุญกันการบวชนี้ถือว่าเป็นรางวัลที่สูงสุดของชีวิตเปรียบเหมือนกับถุนลัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะสิ่งที่พระรางวัลที่พระพุทธศาสนาจะให้แก่ผู้ที่บวชหรือผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติ การพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีรางวัลอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถมอบให้แก่สัตว์โลกได้มีรางวัลของพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจของสัตว์โลก อยู่ปราศจากความทุกขอยู่ปราศจากการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่ความสุขไปไม่มีวันสิ้นสุดถ้าไม่มีพระพุทธศาสนามาปรากฏให้สัตว์โลกได้ยึดเป็นสระนาะเป็นที่พึ่งสัตว์โลกก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดจะต้องทุกขกับการเกิดแก่เจ็บตายไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด แต่พอมีพระพุทธศาสนามาปรากฏขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้มีโอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้มีโอกาสที่จะได้รับความสุขที่สูงสุดความสุขที่ถาวรความสุขที่ไม่มีวันเสื่อมไปจากใจ นี่คือรางวัลที่หนึ่งที่พวกเรานะทุกคนที่มาเกิดได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้พบกับพระพุทธศาสนาเมื่อเราถูกลอตเตอรี่แล้วเราถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเราควรจะทําอะไรถ้าเป็นลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเราก็ต้องไปที่สำนักงานสลากกินแบ่ง เพื่อขึ้นเงินรางวัลสําหรับรางวัลของพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องการได้รางวัลคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องศึกษาและปฏิบัติศึกษาก็คือศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติตาม ถ้าศึกษาอย่างเดียวไม่ปฏิบัติก็จะไม่สามารถรับรางวัลได้เพราะการศึกษานี้เป็นเพียงขึ้นหนึ่งของรางวัลยังไม่ใช่เป็นรางวัลเต็มร้อยศึกษาก็จะได้ความรู้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติการศึกษาจะไม่สามารถทำให้จิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ หลุดพ้นจากการเงียน่ายตายเกิดได้จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนถ้าปฏิบัติตามได้แล้วผลก็คือความดับของความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นภายในใจก็จะหมดไปเหลือแต่ใจที่สงบที่เย็นที่สุขที่สบายไปตลอด นี่คือการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาต้องขึ้นด้วยการศึกษาอย่างใรขณะนี้ท่านกำลังศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าการฟังเทศฟังธรรมนี้เรียกว่าเป็นการศึกษาเหมือนศึกษาแผนที่เพื่อเราจะได้เดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราปรารถนากัน ถ้าเราศึกษาแผนที่แต่เราไม่ออกเดินทางเราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางในทางตรงกันข้ามถ้าเราออกเดินทางโดยไม่ได้ศึกษาแผนที่ก่อนเราก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเช่นเดียวกันเพราะเราจะไม่รู้จักทางแทนที่จะไปทางทิศเหนือเรากลับไปทางทิศใต้ แทนที่จะไปทางทิศตะวันออกเราไปทางทิศตะวันตกถ้าอย่างนี้เราก็จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะเราไม่รู้ทางเราไม่มีแผนที่ดังนั้นการที่เราจะปฏิบัติกิตของพระพุทธศาสนาเราต้องศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าให้อย่างถ่องแท้แล้วนําไปปฏิบัติตาม การศึกษาและการปฏิบัตินี้ควรจะศึกษาและปฏิบัติควบคู่กันไปไม่ควรแยกเป็น2 ส, ส่วนคือไม่ควรรอศึกษาให้จบปรเรียน9ก่อนแล้วถึงค่อยออกไปปฏิบัติเพราะไม่มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาถึงระดับปรเรียน9กาการศึกษาข อ, ของพระพุทธศาสนานี้ ให้ศึกษาเพียงเก้าวิชาเท่านั้นให้ศึกษาความรู้เก้าชนิดด้วยกันแล้วนำเอาไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันแล้วผลต่างๆก็จะทยอยปรากฏขึ้นมาการปฏิบัติก็จะเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับหลังจากที่ได้สัมผัสกับผลที่เลิศที่ประเสิร เหมือนกับเวลาที่เราทำมาหากินถ้าเรายังไม่ได้ผลกำไรเราจะไม่มีกําลังใจที่จะทำมาหากินเพราะทำไปแล้วก็ไม่ได้กำไรแต่ถ้าเราทำแล้วได้กำไรได้ผลดีเราก็จะมีกําลังใจที่จะทำให้มากขึ้นไปทำจากน้อยไปหามากเมื่อเรามี เราได้ผลดีเราก็ขยายกิจการเปิดสาขาที่หนึ่งสาขาที่สองเปิดไปได้เรื่อยจนมีสาขาเป็นร้อยได้ก็เพราะว่าเราทําแล้วเราได้รับผลเราได้กำไรนั่นเองแต่ถ้าเราทําไปแล้วเรายังไม่ได้ผลเราก็จะมีความท้อแท้ได้ดังนั้ น, น, นเราไม่ควรที่จะต้องไปเรียน ให้จบพระไตรปิฎกไม่ต้องไปเรียนถึงป ร, ริยญาเก9ขอให้เราเรียนขั้นของเราไปก่อนคือขั้นอนุบาลให้มีความรู้อยู่สิทธิอยู่เจดหัวข้อด้วยกันแล้วพยายามปฏิบัติตามความรู้ทั้งเจดหัวข้อนี้ได้เราก็จะได้รับผลเมื่อเรารับผลแล้วเราก็จะมีกำลังใจ ที่จะศึกษาให้มากขึ้นปฏิบัติให้มากขึ้นต่อไปความรู้ที่พู้เจ้าทรงสอนนี้เป็นความรู้ที่เหนือความรู้ทางโลกเพราะความรู้ทางโลกไม่ว่าจะระดับปริญญาเอกก็ตามยังเป็นความรู้ที่ไม่สมบูรณ์คือเป็นความรู้ที่ไม่สามารถเอาตัวรอดได้เอาตัวรอดจากอะไร กอเอาตัวรอดจากความทุกข์นั่นเองเอาตัวรอดจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีความรู้ใดในโลกนี้ที่จะสามารถพาให้สัตว์เลิกได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้จึงเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดต่อให้เรียนได้ปริญญากี่ใบก็ตามปริญญาเองห้าใบสิใบ ก็จะไม่สามารถทาให้จิตใจนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ได้หลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้แต่ความรู้ทางพระพุทธศาสนาเจ็ดประการนี้เป็นความรู้ที่เอาตัวรอดได้ผู้ที่รู้ความรู้เจ็ดข้อนี้แล้วปฏิบัติตามได้ก็จะสามารถนําตนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ดังนั้นเราควรจะศึกษาความรู้7ข้อที่พระเจ้าทรงสอนให้เรารู้กันคือ 1. ข้อที่หนึ่งให้รู้เหตุข้อที่สองให้รู้ผลข้อที่สให้รู้ตนข้อที่สให้รู้บุคคลข้อที่หให้รู้สังคมข้อที่ห ให้รู้กาลเทศะและข้อที่7ให้รู้ประมาณนี่คือความรู้ที่จะนำพาชีวิตของเราให้อยู่ห่างไกลความทุกข์ความเสื่อมเสียนำพาชีวิตของเราให้เข้าใกล้สู่ความสุขและความเจริญต่างๆทั้งในทางโลกและในทางธรรม ความรู้ข้อที่หนึ่งนี้เป็นความรู้ที่สำคัญที่สุดคือให้รู้เหตุรู้ว่าสิ่งต่างๆที่เราปรารถนา mm hmm. เช่นความสุขความเจริญความสิ้นทุกการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด น, นั้น mm hmm. เกิดจากเหตุเหตุที่ทำให้เราหลุดพ้นก็คือการกรําทางกายทางวาจาและทางใจ ภาษาพระเราเรียกว่ากรรมกรรมแปลว่าการกระทําแต่คำว่ากรรมนี้ไม่ได้หมายความว่าบาปคำว่ากรรมนี้เป็นคำกางกลางไม่ใช่บาปไม่ใช่บุญคำว่ากรรมนี้แปลว่าการกระทําทางกายทางวาจาและทางใจทางกายก็เรียกว่ากายกรรมทางวาจาก็เรียกว่าวจีกรรมทางใจก็เรียกว่ามโนกกรรม การกระทาทั้งสามนี้มีโมโนกรรมเป็นการกระทาที่สำคัญที่สุดเพราะการกระทาทางกายและทางวาจานั้นต้องรอรับคำสั่งจากการกระทาทางใจก่อนที่เราจะพูดได้ก่อนที่เราจะคิดได้เราต้องคิดเสียก่อนเราต้องสั่งก่อนเช่นวันนี้ก่อนที่เราจะเดินทางมาวัดได้ เราต้องคิดก่อนว่าวันนี้จะมาวัดพอเราคิดแล้วเราก็พูดไปทางวาจาบอกเพื่อนฝูงบอกญาติสนิทมิตสหายชวนกันมาทำบุญที่วัดแล้วเราก็ออกเดินทางนำร่างกายมาที่วัดการกระทําทั้งหมดนั้นความสำคัญจึงอยู่ที่มโนกรรมคืออยู่ที่ความคิดของเรา ความคิดของเรานั้นจะคิดไปในทางที่ดีก็ได้คิดไปในทางที่ไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ของเราถ้าเรามีอารมณ์ดีเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีถ้าเรามีอารมณ์ไม่ดีเราก็จะคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเมื่อเราคิดดีพูดดีทำดีเราก็จะ มีความสุขความเจริญถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีเราก็จะมีความทุกข์มีความเสื่อมเสียเราก็ต้องรู้ว่าเหตุคือการกระทำของเราเป็นต้นที่จะทําให้เกิดผลที่จะตามมาการรู้ผลก็ให้รู้ว่าเวลาที่เรามีความสุขมีความเจริญนั้นเป็น ผลที่เกิดจากเหตุคือการกระทำของเราเวลาที่เราเกิดความทุ้มเกิดความเสื่อมเสีย<ม>ก็ขอให้รู้ว่าเกิดจากเหตุคือการกระทำของเราเช่นเดียวกันดังนั้นถ้าเราอยากจะให้ผลของเราดีให้ชีวิตของเรามีแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าเราก็ต้องคิดดีพูดดีทำดี ถ้าเราไม่อยากที่จะให้ชีวิตเราตกต่าไม่อยากให้ชีวิตของเรามีความทุกข์ความเศร้าหมองเราก็ต้องละเว้นจากการคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีนั่นเองการที่คิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกับการคิดดีพูดดีทดําดีก็ขึ้นอยู่กับความรู้ข้อที่สาข้อที่สข้อที่หข้อที่6และข้อที่7จ็ดนั่นเอง เราจึงต้องศึกษาความรู้ข้อที่สามต่อไปคือให้รู้จากตนเราต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์หรือเราเป็นเดรัจฉานเราเป็นคารวาสหรือเป็นนักบวชเราเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเราเป็นเด็กหรือเป็นผู้ใหญ่นี่คือตัวอย่างของการให้รู้ตน เพราะการรู้จนจะได้ทําให้เราปฏิบัติตนของเราให้เหมาะสมกับสถานภาพของเราเพราะการปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของตนจะนำความสุขความเจริญมาให้นั่นเองถ้าปฏิบัติตนไม่เหมาะสมกับสถานภาพก็จะนำความเสือ่อมนำความทุกข์ตามมาเช่นเราเป็นนัก บ, บวช เราก็ต้องรู้จักปฏิบัตินามสถานภาพของนักบวชนักบวชมีสิ่227ข้อที่จะต้องปฏิบัติตามนักบวชจะต้องเป็นผู้ที่มีสมรวมทางกายทางวาจาและทางใจทำอะไรจะต้องมีความระมัดระวังมีสติคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวของตนอยู่เสมอว่าอยู่ในความสงบหรือไม่ เช่นเวลาทำกิจกรรมต่างๆต้องระมัดระวังไม่ให้เกิดเสียงดังขึ้นมาไม่ว่าจะทำอะไรถ้าทำให้เราเกิดเสียงดังแสดงว่าไม่สารวมกายวาจาใจไม่มีสติคอยเฝ้าดูการคิดการกระทําการพูดเมื่อไม่มีความสารวมแล้วการกระทําก็จะเกิดความเสียหายทามาตามมา ทำให้ผู้ปฏิบัตินั้นเสื่อมจากความรู้สึกของผู้อื่นไปเช่นเสื่อมศรัทธาเวลายา่าวยืนเห็นนัก บ, บวช น, นั้นประพฤติตนไม่ควรไม่ชอบไม่สมควรแก่สถานภาพของนัก บ, บวชก็จะไม่มีศรัทธาจะไม่อยากที่จะสนับสนุนไม่อยากที่จะทำบุญด้วยนี่คือตัวอย่างของการรู้ตน เราต้องรู้ฐานะของเรารู้ตัวเราว่าเราเป็นอะไรแล้วเราก็ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องเช่นถ้าเรามีเป็นสามีเป็นภรรยาเราก็ต้องรักษาศีนข้อที่สามให้ได้คือระเว้นจากการประพฤติผิดประเวณีถ้าเราเป็นโสดนั้นเราก็เป็นอีกอย่าง เราอยากจะคบค้าสมาคมกับใครร่วมนอนหลับนอนกับใครอันนั้นก็เป็นเรื่องของเราแต่ถ้าเรามีสามีมีภรรยาเราก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองของเราถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์แล้วเราปประพฤติผิดประเวณีผลเสียหายก็จะตามมาต่อไปนี่คือผลที่เกิดจากการไม่รู้ต่ ดังนั้นเราต้องพยายามคอยดูสอดส่องดูตัวเราเสมอว่าเราอยู่ในสถานภาพอันใดแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานภาพอันนั้นวันนี้เรายังเป็นคารวะอยู่เดี๋ยวตอนบ่ายเราบวชแล้วพอเราบวชแล้วเราก็จะเป็นพระภิกษุเป็นสมัมมณกิริยาการความประพฤติต่างๆของ คำว่าก็จะต้องบวใไปจะต้องเอาติริยาความประพฤติของนักบวชมาใช้ต่อไปการบวชถึงจะสมบูรณ์การบวชไม่ได้อยู่ที่การโกนศรีรษะผมผ้าเหลืองแล้วก็เข้าไปในโบสอันนี้เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเองการบวชที่แท้จริงอยู่ที่การดำเนินชีวิต ของตนให้อยู่ในกรอบของหลักของพระธรรมวินัยคือคําสั่งคําสอนของพพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนให้พระภิกษุและสามเณรปฏิบัติกันถ้าสามารถปฏิบัติตามพระธรรมวินัยได้ก็จะเป็นพระปฏิพระสุ ป, ปฏิปันโนคือพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้ว ผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมได้รับผลอันเลิศของพระพุทธศาสนาก็คือมรรคผลนิพพานการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดการดับความทุกข์ทั้งหลายให้หมดไปจากใจเกิดจากการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตามพุทธมวินัยของพระพทเจ้านี้เองผู้ที่ไม่บวชถ้าอยากจะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็สามารถบรรลุได้ถ้าสามารถปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้การบวชนี้เป็นเพียงการให้โอกาสเพราะว่านักบวชไม่มีภารกิจต่างๆที่จะต้องไปทำจะได้มีเวลามาปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ส่วนถ้าเป็นค า, ารวะก็อาจจะต้องไปทำมาหากินไปทำภารกิจอื่น ก็จะมีเวลาไม่มากพอที่จะมาปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ยกเว้นคารว่าผู้ที่มีบุญวาสนาคือมีฐานะการเงินการทองที่ดีมีความมั่งคัง่งไม่จำเป็นจะต้องไปทำมาหากินไม่จำเป็นจะต้องไปทำภารกิจการงานต่างๆก็สามารถอยู่ที่บ้าน อยู่ที่บ้านที่สงบที่เงียบตามหลังพังและปฏิบัติได้เหมือนกับนักบวชก็ <mm ถือว่าเป็นนักบวชในในคาบของคารวาอย่างนี้ก็สามารถปฏิบัติให้ได้ผลที่พระพุทธเจ้าส่งมอบให้การบวชหรือไม่บวชจึงไม่ใช่เป็นประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญอยู่ที่การปฏิบัติ ว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ปฏิบัติมากหรือปฏิบัติน้อยนี่คือเรื่องของการกรู้ตรงข้อที่สีให้รู้จักบุคคล mm hmm. ก็คือเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้คนเดียวเราอยู่กับหลายคนด้วยกันเราอยู่ในสังคมมีสังคมเล็กสังคมใหญ่สังคมปานกลางเช่นสังคมเล็กก็ครอบครัวที่เราเกิด สังคมปานกลางก็คือที่ทำงานหรือโรงเรียนสังคมใหญ่ก็คือบ้านเมืองประเทศชาติคนที่อยู่ในประเทศชาติอยู่ในสังคมนี้ก็มีสถานภาพต่างกันเราก็ต้องรู้จักวิธีที่เราควรจะปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานภาพของบุคคลต่างๆถ้าเราไม่ปฏิบัติให้เหมาะสมก็จะเกิดความเสื่อมเสียขึ้นมาได้ เช่นบุคคลที่สูงแต่เราไม่ให้ความเคารพเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์หรือผู้ที่มียศถาบรรดาศักดิ์ผู้ที่มีตำแหน่งสูงกว่าเราถ้าเราไปตีตนเสมอท่านเราก็จะไม่ได้ทำตนที่เหมาะสมก็อาจจะไม่ได้รับประโยชน์จากบุคคลเหล่านั้น ท่าหลังนั้นก็จะเห็นว่าเราเป็นคนที่ไม่ควรที่จะส่งเสริมไม่ควรที่จะให้ความช่วยเหลือแต่ถ้าเราปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับสถานภาพของผู้ที่สูงกว่าเราให้ความเคารพให้ความเชื่อฟังบุคคนที่มีความสูงกว่าเราท่านก็จะมีความเมตตาท่านก็อยากที่จะช่วยเหลือเราสนับสนุนเรา ในสิ่งที่ท่านสามารถทำได้ชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าหรือจะเสือ่อมส่วนหนึ่งก็อยู่บุคคลที่เราอยู่ร่วมกันถ้าบุคคลที่เราอยู่ร่วมกันมีความเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความเจริญก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายแต่ถ้าเราอยู่กับบุคคลที่ไม่มีความเมตตามีแต่ความโหดร้ายทารุณ ชีวิตของเราก็จะเจริญก้าวหน้ายากเราก็จะอยู่อย่างทุกข์ยากลำบากดังนั้นเราจึงต้องรู้จักบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยรู้จักวิธีปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานภาพของบุคคลเหล่านั้นแล้วชีวิตของเราก็จะได้รับการสนับสนุนได้รับการช่วยเหลือให้เจริญก้าวหน้าขึ้นไปได้ นี่คือเรื่องของการรู้ตนรู้บุคคลข้อที่5ก็คือรู้สังคมการรู้สังคมก็หมายถึงให้รู้จักขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมที่เราอยู่ด้วยสังคมนี้จะอยู่กันได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดเพราะมีขนบธรรมเนียมประเพณีมีกฎมีระเบียบนั่นเองถ้าเราไม่ปฏิบัติตาม ขนรรมเนียมประเพณีกฎ ร, ระเบียบที่ดีสังคมก็จะปั่นป่วนสังคมก็จะวุ่นวายเราก็จะอยู่กันอย่างไม่มีความสุขจะอยู่กันอย่างมีความทุกข์เช่นถ้าสังคมไม่เครารพกฎหมายกันทุกคนต้องพึ่งตนเองด้วยการมีอาวุธมีอะไรต่างๆไว้ปกป้องชีวิตของตนเองเพราะไม่มีใครเครารพกฎหมาย ใครอยากจะได้อะไรก็ใช้กําลังใช้พลังใช้อาวุธแก่งแย่งชิงดีกันถ้าเป็นอย่างนี้สังคมก็จะเป็นสังคมของเดรัจฉานไม่ใช่เป็นสังคมของมนุษย์มนุษย์นี้มีปัญญาพอที่จะรู้ว่าการที่จะอยู่การอย่างร่วมเย็นเป็นสุดนี้จําเป็นจะต้องเข้ารพกฎระเบียบเพื่อที่จะรักษาสิทธิของแต่ละบุคคล ไม่ให้ถูกทำลายไปถ้าไม่มีการเคารพกฎระเบียบสังคมก็จะเป็นสังคมที่เสือ่อมเหมือนกับสังคมเดรัจฉานผู้ที่อยู่ในสังคมนั้นก็จะไม่ได้อยู่อย่างล่มเย็นเป็นสุขเพราะจะต้องมีความหวาดกลัวหวาดระแวงต้องมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลาเวลาไปไหนมาไหนไม่รู้ว่าจะถูกทำ้ายถูกทำลายได้เมื่อไหร่ ดังนั้นถ้าเราอยากจะอยู่ในสังคมที่มีแต่ความนน่มเย็นเป็นสุดมีแต่ความก้าวหน้าเราก็ต้องมีกฎมีระเบียรเราก็ต้องรู้จักสังคมรู้กฎกฏระเบียรรู้ขนมธรรมเนียประเพณีที่ดีของสังคมนี่คือรู้รู้สังคมข้อที่หกก็ให้รู้กาละเทศะ การลาเทศาก็ให้รู้ว่าเวลาที่เราไปทำอะไรที่ไหนกับใครเราต้องดูว่าเวลานั้นเขากำลังทำอะไรอยู่เราไม่ควรจะทำในสิ่งที่เขาไม่ทากันเช่นตอนนี้เป็นเวลาฟังเทศฟังธรรมไม่ใช่เวลารับโทรศัพท์ไม่ใช่เวลาคุยกันคนอื่นเ็าฟังธรรมเราก็ต้องนั่งฟังธรรมไม่ใช่ไปทำอะไรที่ทำให้เกิด เสียงขึ้นมาที่จะรบกวนสมาธิของผู้ฟังเวลาคนต้องทำอะไรเราต้องดูตามาตาเรือก่อนไม่ใช่พอเข้ามาอยากจะใส่บายก็เดินมาใส่บาตอยากจะถวายของก็เข้ามาถวายโดยที่ไม่ได้ดูว่าคนอื่นเขากําลังทําอะไรกันอยู่เขากําลังฟังเทศฟังธรรมกันอยู่หรือก <t> ําลังรับศีลรับอร นี่เป็นเวลาที่เราต้องเคารพถ้ายังมีการทำพิธีกรรมอยู่อย่าเพิ่งเข้ามาทำอะไรเวลากำลังขอสีนให้สีนหรือเวลากำลังรับพอพรสะสวดญาติสัพพเวลานั้นไม่ใช่เวลาที่จะนาเข้าของมาถวายนี่คือการรู้จักกาลเทศะ ถ้าเรารู้จักกาลเทศะแล้วเราก็จะไม่ทำอะไรให้เสื่อมเสียทั้งกับตัวเราและผู้อื่นแต่ถ้าเราไม่รู้จักกาลเทศะเราไปที่ไหนก็จะทำให้วงแตกเราก็จะเป็นคนบุคคลที่ไม่พึงปรารถนาจะไม่มีใครอยากจะชวนเราไปงานต่างๆเพราะกลัวจะไปทำให้งานแตกนั่นเองนี่คือการรู้รู้กาลเทศะ ข้อสุดท้ายก็คือการรู้ประมาณลลการรู้ประมาณนี่ก็คือการรู้จากความพอดีนั่นเองคือมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีโดยเฉพาะในเรื่องของปัจจัยสีคืออาหารเครื่องนุ่หงห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคเราควรจะรู้จักประมาณคือความพอดีอาหารก็ไม่ควรมากเกินไป และไม่ควรน้อยเกินไปถ้าน้อยเกินไปก็ทำให้ร่างกายผอมแห้งแรงน้อยถ้ามากเกินไปก็ทำให้ร่างกายมีน้ำหนักมากเกินไปมีโรคต่างๆมาเบียดเบียนทำให้อายุสั้นได้บ้านที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันมีไว้สำหรับหลบแดดหลบฝนเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นปราสาทราชวังให้ดูฐานะของเราว่าเรา มีความสามารถที่จะหาที่อยู่อาศัยได้แบบไหนก็ให้อยู่แบบนั้นไปอย่าลิ่นลนไปเพราะจะเสียเวลาไปเปล่าๆเพราะการสร้างปราสาทราชวัชสร้างคลราหานี้ไม่สามารถมาทำให้ใจของเราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ดับความทุกข์ได้แต่การรู้จักประมาณนี้จะทำให้เรามีเวลาที่เราจะได้ไม่ต้องเสียไปกับการ สร้างบ้านอันใหญ่โตเอาเวลามาศึกษาพราะธรรมคำสอนแล้วเอาเวลามาปฏิบัติธรรมจะดีกว่านี่คือการรู้จักประมาณต้องให้อย่าให้มากเกินไปอย่าให้น้อยเกินไปทาตามกำลังของเราทําตามฐานะของเราแล้วชีวิตของเราจะไม่วุ่นวายมากจนเกินไปที่วุ่นวายกันทุกวันนี้เพราะอยากจะได้กันมากมาก โดยไม่รู้ว่าได้มาแล้วจะเอาไปทําอะไรทําประโยชน์อะไรได้บ้างอย่างแท้จริงส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรทําไปตามอารมณ์ได้เงินมากก็ซื้อของมากของที่ซื้อมามากๆ ก, ก็ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขมากขึ้นไปหรือดับความทุกข์ให้น้อยลงไปได้เลยดังนั้นขอให้เรารู้จักประมาณเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปกับการ การหาปัจจัยสีที่มากจนเกินไปเพื่อเราจะได้มีเวลามาหาสิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์กับชีวิตจิตใ จ, จของเราดีกว่า <c oughs> ก็คือการมาบวชหรือมาปฏิบัตแิแบบนักบวชกันอันนี้แหละเป็นการกระทัาที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ ก็คือการกระทำสามข้อที่พระเจ้าส่งสอนให้ทำก็คือทำบุญละบาปและชำระใจให้สะอาดบอยสุทนี่คืองานที่เราควรจะทำกันอันนี้ไม่ต้องมีประมาณทาให้เต็มที่เลยทำให้สุดไปเลยยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ก็จะทำให้งานเสร็จได้เร็วมากขึ้นเท่านั้นแล้วเราต้องรีบทำเพราะเรากำลังแข่งกับเวลา เพราะว่าเราไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะหมดเมื่อไหร่คนเราจะตายเมื่อไหร่ไม่มีความไม่มีใครรู้พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้พวกเราประมาทกันให้รีบทำงานภารกิจที่คุณจะที่ควรจะกระทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พอเราหลุดพ้นแล้วจากความทุกข์แล้วหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว เราจะอยู่ต่อไปอีกนานหรือไม่นานก็จะไม่เป็นปัญหาต่อไปนี่คือเรื่องของการมาวัดเพื่อมารับรางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาขอให้พวกเราจงนำความรู้ทั้งเจประการที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้คือรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้บุคคลรู้สังคมรู้กาลเทศะและรู้ประกาณ ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดที่จะตามมาต่อไปการจัดแดก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีลธนารายและบุญกุศมที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย